มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญญาบรุรีขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลาก่อนและพูดได้สนใจ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 สอบทําเพิ่มเติมที่ 02-549-3653 ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ Food Delivery ผู้เดิมินรายการนัศรัฐแผ่กุญและนัศพลดีปุดคุ้บคุมการผลิตโดยผู้ช่วยสัตวราจารย์ด็อเตอร์กุญกณิศ ท, ทองเงาสร้างสารและผลิตรายการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชโมงคลทันยะโบรี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 นัทพลดีอุดอีกครั้งนะครับทุกคืนวันอาทิตย์แบบนี้นะครับพร้อมด้วยอาจารย์นัชราษแัตนเพกุลอาจารย์จากสาขาวิชารและผู้ชันาการคณะเทคโนโลยีข้าคราชการมศาสต ร, ร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับที่มาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับที่เราจะนำมาแชร่นะฮะให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับฟู้ดเดลิเวอรี่ก็มีเนื้อหาสาระต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังอย่างเช่นเคย กับทุกสัปดาห์นะครับซึ่งวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังมาเริ่มต้นในช่วงแรกๆของรายการแบบนี้นะครับกับอาหารที่เป็นตัวช่วยในการขับถ่ายในตอนเช้านะครับซึ่งเชื่อนะครับว่าหลายคนนะฮะกำลังประสบปัญหาท้องผูกและขับถ่ายไม่เป็นเวลานะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราก็จะมีตัวช่วยที่ทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยขับถ่ายได้สะดวกและเป็นเวลามากยิ่งขึ้นในเวลาตอนเช้าซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพและร่างกายนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวช่วย เหล่านี้มีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับตัวช่วยแรกนั่นก็คือการดื่มน้ำเปล่าทันทีเมื่อตื่นนอนนะครับคุณผู้ฟังครับการดื่มน้ำเปล่ายัางน้อยหนึ่งถึงสองแก้วเมื่อตื่นนอนทันทีซึ่งเป็นขนาดที่ท้องว่างจะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะเมื่อเราดื่มน้ำเปล่า เวลาท้องว่างนะครับลำไส้ก็จะทำงานได้ดียิ่งขึ้นและส่งผลให้เราขับถ่ายเป็นเวลาแถมยังช่วยในเรื่องของไม่ทำให้ท้องเราผูกด้วยนะครับนอกจากนี้อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าน้ำเปล่าอยัางช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งอีกด้วยดังนั้นเราจึงควรดื่มน้ำเปล่าอยัางน้อยวันละ8แก้วต่อวันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะครับ ตัวช่วยที่สองครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือการดื่มกาแฟตอนท้องว่างนะครับการดื่มกาแฟในตอนเช้าขณะที่ท้องว่างจะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้ครับคุณผู้ฟังเนื่องจากกาแฟจะไปช่วยเพิ่มกดในกระเพาะอาหารทำให้เร่งกระบวนการการย่อยอาหารและส่งผลทำให้ลำไส้เนี่ยทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอีกทั้งนะครับจะทำให้คุณรู้สึกอยากเข้าห้องน้ำและขับถ่ายออกมาในที่สุดนั่นเองแต่ทางนี้ทางนั้นครับคุณผู้ฟังการดื่มกาแฟในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลให้นอนไม่หลับใจสั่นและใจเต้นเร็ว กว่าปกตินะครับรวมถึงความดาันโลหิตอาจจะสูงขึ้นและอาจถึงขั้นเสียชีวิตกระฐาน กระทันหันได้เลยทีเดียวนะครับตัวช่วยที่สามครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือการดื่มนมเปรี้ยวหรือว่าโยเกิร์ตก็จะสามารถช่วยได้ในเรื่องของการขับถ่ายนะครับหากคุณตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกอยากขับถ่ายในตอนเช้านะครับคุณผู้ฟังลองหาตัวช่วยอย่างนมเปรี้ยวหรือว่าโยเกิร์ตกินดูก็ได้นะครับเพราะนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตนี้มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อลำไส้ซึ่งจะไปช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้คุณเนี่ยสามารถขับถ่ายได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยเหนือสิ่งอื่นใดครับคุณผู้ฟังนมเปรี้ จะช่วยสร้างผุ้มคุ้มกันโรคนะครับรวมถึงไปช่วยเพิ่มอัตราการดูดซึมของแคลเซียมได้นะครับตัวช่วยต่อไปครับนั่นก็คือการดื่มน้ำผลไม้อย่างเช่นน้ำส้มหรือว่าน้ำมะนาวนะครับโดยน้ำส้มหรือว่าน้ำมะนาวนะครับคุณผู้ฟังมีวิตามินซีที่สูงมากนะครับยิ่งถ้าคั้นสดๆแล้วดื่มในตอนเช้าขณะท้องว่างด้วยแล้วนะครับรับรองเลยว่าจะไปช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีเนื่องด้วยคุณสมบัติของผลไม้ทั้งสองชนิดนี้นะครับซึ่งส้มก็มีอยากกากใยอาหารเยอะนะครับส่วน การทำงานของระบบขับถ่ายด้วยนะครับแถมยังแก้อาการท้องผูกได้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีสำหรับการขับถ่ายในตอนเช้ากับน้ำส้มหรือว่าน้ำมะนาวนะครับอย่างต่อไปครับนั่นก็คือการกินผลไม้อย่างเช่นกล้วยส้มมะละกอสุกนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าผลไม้นั้นมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายอยู่แล้วนะครับแถมยังช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้นเช่นการกินกล้วยนะครับ จะไปกระตุ้นทำให้การขับถ่ายได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับส่วนส้มที่มีวิตามินซีและกากใยก็ถือว่าเป็นผลไม้อีกอย่างที่จะไปช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้นะครับรวมถึงมะละกอสุกเองที่มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆซึ่งรับรองนะครับว่าถ้ากินผลไม้เหล่านี้เข้าไปในตอนเช้าจะช่วยทำให้คุณรู้สึกอยากจะเข้าน้ำได้เลยทีเดียวนะครับและการไม่ขับถ่ายในตอนเช้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคุณผู้ฟังด้วยการไม่ขับถ่ายในช่วงเวลาตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้า นานเข้าเป็นระยะเวลาหลายปีเลือดที่ไม่สะอาดจะไหลผ่านไปเลี้ยงสมองและหัวใจทำให้ไม่สดชื่นนะฮะก่อนเที่ยงถึงบ่ายจะรู้สึกง่วงนอนแถมยังมีกลิ่นตัวมีกลิ่นปากก็มาจากเลือดที่ไม่สะอาดไปเลี้ยงปอดปอดจะขับออกมาทางผิวหนังและลมหายใจนะครับซึ่งตัวเองจะไม่ค่อยได้กลิ่นแต่คนอื่นได้กลิ่นรวมถึงรู้สึกปวดเขา่าและเมื่ออายุมากยิ่งขึ้นก็อาจามีโอกาสที่จะเป็นโรคริดสีดวงมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ด้วยจากวิทยายลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน วาชิระนะครับกับเรื่องราวของตัวช่วยในการขับถ่ายอาหารในตอนเช้านะครับคุณฟังครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงนี้ติดตามในเรื่องราวของคุยข้างครัวกันครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทางเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมงคลธัญบุรี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 よって三人、内緒 <AN> に手を、はい、かけて、た。 たまにみかん いしいしんにじんうらんてんらん 毎日か พูดเดลิเวอรี่ช่วงเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวครับมากับช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังกับช่วงเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวครับวันนี้เรื่องเล่าก่อนเข้าครัวนะครับมีเกตความรู้เล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟงังเป็นเกตความรู้ของเรื่องสุขภาพนะครับทั้งเรื่องโรคภายัายไข้เจ็บวิธีการออกกำลังกาย เคล็ดลับลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะครับคุณฟังครับเมื่อความคิดที่ว่าอยากจะลดน้ำหนักแล่นเข้ามาในหัวของเราแล้วนะครับอันดับแรกๆที่หลายคนนึกนั่นก็คือลดการรับประทานอาหารพวก ทอดอาหารมันเพราะว่ามีไขมันสูงนะฮะหรือบางคนอาจจะคิดนะครับว่าต้องลดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลขนมเนยต่างๆนะฮะถึงจะได้ผลนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับคุณผู้ฟังไขมันหรือว่าน้ำตาลกันแน่นะฮะที่เรารับประทา น, น, นเข้าไปแล้วจะทำร้ายสุขภาพหรือทำร้ายร่างกายของเราได้มากกว่ากันนะครับ โดวยนักกำหนดอาหารจากสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกานะครับได้ระบุนะครับว่าทั้งไขมันและน้ำตาลไม่ดีต่อสุขภาพของคนเราทั้งคู่นะครับแต่เราพูดถึงแต่ไขมันอิ่มตัวหรือไขมันทาร์ต และน้ำตาลส่วนที่เติมเพิ่มลงไปเท่านั้นนะครับโดวยข้อ น, นี้อาจจะทำให้เกิดความสับสนในหลายๆคนได้นะครับโดวยไขยมันอิ่มตัวนะครับคุณผู้ฟังและไขมันทาร์นเป็นไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายเพราะทำให้มีปริมาณไขมันเลวหรือว่า LDL และคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในร่างกายมากยิ่งขึ้นนะครับแถมยังเข้าไปลดปริมาณไขมันดีหรือว่า HDL ให้น้อยลงอีกด้วยนะครับจะส่งผลให้ภายในร่างกายของเรา เ, เกิดการอักเสบและพัฒนากลายเป็นสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับ หลอดเลือดและหัวใจได้นะครับด้วยไขมันอิ่มตัวจะพบได้มากในไขมันจากสัตว์ และพืชบางชนิดอย่างเช่นน้ำมะพร้าวน้ำมันปาล์มนะฮะส่วนไขมันทรานนะฮะก็คือไขมันที่เกิดจากการแปลรูปด้วยการเติมไฮโดรเจนทำให้ได้น้ำมันหรือไขมันที่มีจุดหลอมเหลวสูงขึ้นซึ่งสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานนะครับรสชาติใกล้เคียงกับไขมันสัตว์แต่จะมีราคาถูกกว่านะครับสามารถพบได้ในอาหารและขนมสำเร็จรูปรวมถึงขนมอบกรอบเบอร์เกอรี่ต่างๆเช่นมันฝรั่งทอดอาหารทอดเบอร์เกอรี่ที่ใช้มะการินพิซซ่าแช่แข็งเหล่านี้นะครับโดยหากต้องการ ลดปริมาณคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีกับร่างกายเราก็ควรลดการบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงให้น้อยลง 5-6% ของจำนวนแคลอรี่ที่บริโภคทั้งหมดต่อวันแต่สำหรับไขมันทาร์แล้วนะครับคุณผู้ฟังยังไม่มีปริมาณที่พิสูจน์ได้ว่าปลอดภัยมากพอที่จะบริโภคได้เพราะในไขมันทาร์ไม่ได้มาจากธรรมชาตินะครับแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นดังนั้นหากสามารถหลีกเลี่ยงได้เราก็ควรหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วไขมันดีมีอะไรบ้างที่ดีต่อร่างกายนะครับ ไม่ใช่ว่าไขมันจะไม่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายเลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าไขมันที่ดีต่อร่างกายมีมากมายหลายอย่างนะฮะก็คือไขมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและไขมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะครับซึ่งหากสามารถลด การบริโภคไขมันอิ่มตัวได้นะครับและทดแทนด้วยไขมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและทดแทนด้วยไขมันที่ไม่อิ่มตัวได้นะครับจะสามารถลดอัตราความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้นะครับโดยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสามารถพบได้ในน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่านะฮะหรือว่าอาะโวคาโดและถั่วต่างๆนะครับส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนสามารถพบได้ในอาหารที่มีโอเมก้าสามโอเมก้าหกโดยโอเมก้าสามเป็นไขมันที่ดีนะฮะร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้จึงจะต้องได้รับ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับ และที่สำคัญนะฮะไขมันชนิดนี้มีประโยชน์ในการช่วยลดการอักเสบและลดความเสี่ยงของอาการเลือดอุดตันได้นะครับสามารถพบได้ในปลาทะเลที่มีไขมันตามตามธรรมชาติอย่างเช่นแซลมอนซาดีนรวมถึงธั ญ, ญพืชอย่างถั่ววอลนัทและเมล็ดแฟกต์นะครับและโอเมก้าหกจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์และใยประสาท ต, ต, ต่างๆในร่างกายสามารถพบได้ในถั่วเหลืองมะพร้าวน้ำมันเมทานตะวันและน้ำมันเมล็ดดอกคำฝอยนะครับส่วนการบริโภคน้ำตาลนะครับคุณฟังก็มีทั้งข้อดีและ ข้อที่ไม่ดีต่อร่างกายนะครับแม้ว่าน้ำตาลจะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะช่วยให้พลังงานได้ดียามฉุกเฉินและในการเก็บสำรองพลังงานไว้ใช้ในเวลาจำเป็นนะครับแต่ไม่ใช่น้ำตาลทุกชนิดที่จะมีประโยชน์นะครับคุณผู้ฟังน้ำตาลฟูตโตสที่ได้จากผลไม้และน้ำตาลแร็คโตสที่พบได้ในนมสดยังสามารถเลือกละปะทานได้อย่างปลอดภัยนะครับภายใต้การควบคุม ปริมาณอย่างจำกัดนะครับแต่สิ่งที่เราอยากให้คุณฟังหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดนั่นก็คือน้ำตาลที่เพิ่มเติมเข้าไปเองนะครับส่วนใหญ่แล้วน้ำตาลประเภทนี้มักจะเป็นน้ำตาลซูโครสนะครับไม่ได้เป็นน้ำตาลที่มาจากอาหารตามธรรมชาติแต่เป็นน้ำตาลที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้รสชาติดียิ่งขึ้นหวานขึ้นสามารถเจอน้ำตาลประเภทนี้ได้ในขนมต่างๆอย่างเช่นลูกอมขนมขบเคี้ยวคุกกี้ไอศครีมและยังเป็นส่วนผสมที่ใส่ในอาหารอีกหลายชนิดทั้ง ในขนมปังซีเรียลและซอสมะเขือเทศนะครับเมื่ออาหารหลากหลายอย่างมีการพบน้ำตาลที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปอาจทำให้เราบริโภคน้ำตาลเกินความจำเป็นในแต่ละวันโดยไม่รู้ตัวนะครับการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคอ้วนและโลกรคเบาหวานได้นะครับซึ่งปริมาณน้ำตาลที่กำหนดที่เราควรจะได้รับนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเราก็ควรบริโภคน้ำตาลน้อยกว่าหนึ่งร้อยแคลอรี ต่อวันนะครับหรือประมาณ6ช้อนชาหรือ25ก ร, รัมนะครับถ้าเป็นผู้ชายนะครับก็ควรบริโภคน้ำตาลอย่างน้อย125แคลอรี่หรือประมาณ9ช้อนชาหรือ36ก ร, รัมต่อวันนะครับแล้วคุณผู้ฟังครับไขมันหรือน้ำตาลกันแน่ที่แย่ต่อสุขภาพมากกว่ากันนะครับคำตอบนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นไขมันหรือน้ำตาลนะครับคุณผู้ฟังหากเรารับประทานในส่วนที่เป็นไขามันอิ่มตัวไขมันทรานส์และน้ำตาลที่เติมเพิ่ม รสชาติเข้าไปร้อนไม่ดีต่อสุขภาพด้วยกันทั้งคู่นะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังเราก็ควรลองสังเกตบนฉลากผลิตภัณฑ์ให้ดีนะครับเพราะอาหารที่เขียนว่าไขมันต่ำหรือว่าโรเฟตอาจมีน้ำตาลเพิ่มเติมสูงหรืออาหารที่มีน้ำตาลต่ำหรือว่าโรชูก้าอาจพบว่ามีปริมาณไขมันอิ่มตัวหรือไขมันฐานสูงได้นะครับดังนั้นเราควรสังเกตฉลากบรรจุภัณฑ์ให้ดีครับคุณผู้ฟังเพื่อเลือกอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลที่ไม่ดีต่อร่างกายให้ต่ำเข้าไว้นะครับแค่นี้ก็จะช่วยให้ ได้ง่ายๆแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับและนี่คือเคล็ดลับที่นำมาฝากในช่วงเรื่องเล่าก่อนเข้าครัววันนี้กับเรื่องราวของไขมันแล้วก็น้ำตาลที่ดีและไม่ดีต่อร่างกายนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวของเมนูนักคิดครับวันนี้เมนูนักคิดครับผมมีกลเม็ดเคล็ดลับในการหุงข้าวให้อร่อยขึ้นหม้อมีวิธีการหุงอย่างไรติดตามได้ในช่วงเมนูนักคิดช่วงหน้าครับ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 レモンとペンチェナンメキュン、ワンモンパイ。デイプロットーツบากหーวใจไม่เคยเรียกร้องอะไรไม่ต้องให้รักคืนมา いいね。 ガイアタコラタト。 どこに行くんだ マミーセูュウンウェラティータンメイティーマンヤングラクタユーポディータンタห้ามใจ、ไม่ว่าเธอนั้นจะอยู่ที่ไหน。 ミミミカダ よくてよくてよくてよくてよくてくてよてよくてよくてよてよくてよくてよくてよくててよくてよくてよくて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 ศูนย์หนองระเวียงอเมืองจนครราชสีมาภายในงานจะได้พบกับเวทีเสวนาการนำเสนอผลงานทางวิชาการการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด âm รีการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปและร้านขายของที่ระลึกต่างๆผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์สี่สี่สองสามสามศูนย์ศูนย์ ฟู้ดเดลิเวอรี่ช่วงเมนูนักคิด กลับมากับช่วงเมนูนักคิดครับคุณฟังครับวันนี้เมนูนักคิดครับมีเรื่องราวของเคล็ดลับการหุงข้าวให้อร่อยขึ้นหม้อกลิ่นหอมชวนน่ารับประทานนะครับว่าจะมีวิธีการยังไงบ้างนะครับคุณฟังครับถ้าพูดถึงข้าวอาจจะมีความหลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวกล้องข้าวญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นอาหารหลักที่พวกเรารับประทานกันทุกมื้อนะครับและการหุงข้าวเป็นเรื่องง่ายมากครับคุณฟังเพราะปัจจุบันเรามีหม้อหุงข้าวที่มีฟังชั่นมากมายแถมสะดวกสบายไม่ยุ่งยากไม่ต้องคอยเช็ดน้ำหรือ กังวลว่าข้าวจะติดก้นหม้อนะฮะแต่ละหลายท่านก็ยังประสบปัญหาหุงข้าวแล้วข้าวแข็งหรือแฉะเกินไปวันนี้ผมก็เลยมีขั้นตอนการหุงข้าวมาฝากกันนะครับคุณผู้ฟังครับวิธีการหุงข้าวให้อร่อยอย่างแรกเลยก็คือตักข้าวสารใส่ที่ถ้วยตวงแล้วเทใส่หม้อข้าวที่เตรียมไว้นะครับจากนั้นนำน้ำเปล่าเทไว้ให้ท่วมข้าวสารแล้วใช้มือสาวข้าวให้ทั่วแล้วเทน้ำออกนะครับจากนั้นก็สาวข้าวด้วยน้ำสะอาดอีกหนึ่งรอบให้ใช้มือคนประมาณสองถึงสามรอบวนไปในหม้อ ไม่ต้องคนนานมากเพราะจะทำให้ข้าวบานไวเวลาหุงข้าวมะเมล็ดข้าวจะไม่อวบสวยนะครับเสร็จแล้วนะครับนำผ้าสะอาดมาเช็ดน้ำข้างๆและก้นหม้อนะครับ ด้วยพอเราซาวข้าวเอาฝุ่นหรือเปลือกข้าวออกแล้วให้เราเขี่ยเมล็ดข้าวตรงกลางขอบหม้อลงและนำน้ำสะอาดมาเทใส่นะครับกะปริมาณให้ใส่ไม่มากน้อยเกินไปข้าวหนึ่งส่วนต่อน้ำหนึ่งจุดสองส่วนนะครับหรือให้ใช้นิ้วนะฮะนิ้วชี้เนี่ยจุ่มลงไปหรือวางบนข้าวนะครับเทน้ำให้ท่วมฝ่ามือเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้นำหม้อข้าวใส่หม้อข้าวปิดฝาเสียบปลั๊กแล้วกดปุ่มหม้อข้าวลงนะครับจากนั้นรอให้ข้าวสุก เป็นอันเสร็จสิ้นเราก็จะได้ข้าวหอมมะลิหรือข้าวต่างๆที่เราไปหุงเนี่ยสุกพอดีนะฮะแล้วก็หอมหน่ารับประทานนะครับรวมถึงเคล็ดลับนะครับหลายคนบอกว่ามีข้าวเก่าอยู่เราจะหุงยังไงนะครับให้กลับมารับประทานได้นะครับด้วยการอุ่นข้าวเก่าให้เหมือนใหม่อีกครั้งนะครับเพียงแค่คุณนำเกลือเล็กน้อยมาละลายในน้ำจากนั้นนำไปผงบนข้าวเก่าให้พอชุ่มนะครับแล้วนำไปอุ่นอีกครั้งนะครับเท่านี้เราก็จะได้ข้าวเก่าที่เหมือนใหม่แล้วนะฮะเวลาหุงข้าวให้เติมเกลือลงไป หนึ่งช้อนชาก็จะช่วยให้ข้าวฟูและหอมขึ้นนะครับหุงข้าวให้สวยขึ้นหม้อเพียงคุณบีบมะนาวลงไปสามถึงสี่หยดครับคุณผู้ฟังก็จะช่วยให้เข้าวมีสีขาวนวลและเรียงกันเป็นเม็ดอย่าบีบเยอะเกินไปเพราะจะทำให้เข้าวมีรสชาติเปรี้ยวได้นะครับและวิธีแก้ไขปัญหาหุงข้าวแฉกก็ด้วยการนำขนมปังสองถึงสามแผ่นมาวางบนหม้อหุงข้าวแล้วกดสวิตช์หม้อหุงข้าวอีกครั้งขนมปังก็จะช่วยดูดซับน้ำส่วนที่เกินออกมานะครับส่วนหลายคนบอกว่าหุงข้าวยังไงไม่ให้ติดก้นหม้อนะครับหลังจากที่ ลงข้าวดีดแล้วนะฮะอย่าเปิดฝาหรือตักข้าวทันทีนะครับผู้นู้นฟังให้หล่อข้าวระอุ ก, ก่อนสักสิบถึงสิบห้านาทีเพื่อให้ไอ้น้ำลงไปก้นหม้อก่อนแล้วเราจะได้ทานข้าวก้นหม้อที่นุ่มไม่แข็งแล้วช่วยให้เวลาล้างหม้อล้างได้ง่ายไม่ต้องออกแรงขูดนะครับและก้นหม้อไม่เป็นรอยอีกด้วยนะครับส่วนข้าวที่บูดคาหม้อถ้าล้างไม่สะอาดนำไปหุงครั้งหน้านะฮะ ก็จะทำให้ข้าวบูดอีกครั้งนะครับดังนั้นเราควรล้างหม้อด้วยน้ำยาล้างจานจากนั้นใส่น้ำครึ่งหม้อนะครับแล้วใส่น้ำส้มสายชูนะครับหนึ่งถึงสองช้อนชานำหม้อข้าวลงไปใส่หม้อของข้าวแล้วกดสวิตซ์เสมือนหุงข้าวรอเวลาประมาณยี่สิบนาทีให้น้ำเดือดนะครับจากนั้นเทน้ำทิ้งแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด นำไปพึงแดดให้แห้งวิธีนี้ก็จะช่วยฆ่าเชื้อในหม้อของข้าวของเราได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังกับวิธีการหุงข้าวเพียงไม่กี่ขั้นตอนคุณก็สามารถหุงข้าวทานเองที่บ้านได้ง่ายๆแล้วนะครับทำครั้งแรกอาจจะสุกบ้างไม่สุกบ้างแต่ถ้านำที่กินของเราไปปฏิบัตินะครับรับรองว่าข้าวที่หุงออกมาจะหอมอร่อยนะครับนุ่มน่ารับประทานแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับคุยข้างครัวกับอาจารย์นัชรัตเพ็ญกุลครับ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 สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมนัทชรัตแพคุณในช่วงคุยข้างครัวนะครับคุณฟังครับหากย้อนเวลากลับไปในอดีตสักประมาณสิบยี่สิบปีที่แล้วนะใครที่รับประทานมาแมลงนะฮะอาจจะโดนมองว่าแปลกประหลาดนะฮะน่าขยะแขยงหรือมีการต่อต้านนะฮะการรับประทานมาแมลงเลยก็ได้นะฮะแต่ในปัจจุบันเราเห็นว่าร้านขายมาแมลงทอดนะฮะอยู่ทุกหนและแห่งตามท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดนะฮะในห้างในร้านสะดวก ซื้อต่างๆนะก็มีแมลงทอดแมลงอบขายมากมายนะแม้รูปร่างหน้าตาจะไม่น่าทานเท่าไรแต่รสชาติแล้วก็วิตามินนั้นอุดมไปด้วยประโยชน์ต่างๆนานาต่อร่างกายนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะผมจะเล่านะฮะประโยชน์สุดล้ำของแมลงทอดให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมลงทอดนั้นมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายนะก็บอกอันดับแรกคือ มแมลงทอดนั้นนะฮะมีโปรโตีนสูงนะฮ ะ, มะแมลงดิบแค่หนึ่งร้อยกรัมนะครับมีโปรโตีนถึงเก้าถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะขึ้นอยู่กับแมลงแต่ชนิดนะฮะที่คุณผู้ฟังนั้นรับประทานนะฮะว่าจะให้โปรโตีนมากเท่าไหร่น ะ, ฮะส่วนโปรโตีนที่มีมากที่สุดในแมลงคือในกลุ่มของตักกระแตนประทาทังก้าและก็แมงมันนั่นเองนะฮะโปรโตีนที่ไดจากแมลงนะฮะใกล้เคียงกับโปรโตีนที่ไดจาก ไข่ไก่หนึ่งฟองหรือหมูบดเนื้อไก่หนึ่งร้อยกรัมนั่นเองนะฮะแต่นอนใหม่เป็นแมลงที่มีโปรโตีนมากและก็มีคุณภาพที่ดีมากที่สุดกว่าไข่ไก่แล้วก็หมูบดแล้วก็เนื้อไก่นั่นเองนะครับต่อมานะฮะแมลงนะยังช่วยลดคอเลสเตอรอลนะฮะเชื่อไหมว่าในแมลงมีสารที่ชื่อว่าไขตินนะฮะเมื่อไขตินถูกย่อยจนเป็นส่วนหนึ่งออกมา เป็นไขโตสารทั้งไขตินและทั้งไขตินนะฮะและไขโตสารนะสามารถจับกับไขมันทำให้อลตรบของคอเลสเตอรอลของเราลดลงได้นั่นเองนะครับต่อมานะฮะช่วยในการต้านเชื้อจากการติดเชื้อจากยีสต์ในระบบทางเดินอาหารเป็นผลพวงมาจากไขตินแล้วก็ไขโตสารนั่นเองนะครับและก็ต่อมานะฮะมแมลงเป็นอาหารชั้นดี นะฮะที่อุดมไปด้วยโปรโตีนแต่ราคาถูกนะฮะสำหรับพวกที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลนะฮะหรือในเขตชุมชนห่างไกลนะฮะจึงมีแม้กระทั่งรายงานจากองค์การอาหารโลกสหาประชาชาติหรือ FAO นะฮ ะ, มะแมลงที่ รับประทานได้นะฮะเป็นความหวังแห่งอนาคตสำหรับความมั่นคงของอาหารคนแล้วก็อาหารสัตว์ในอนาคตนั่นเองนะครับนอกเหนอจากแมเลงมีโปรตีนสูงหารับประทานได้ง่ายแล้วนะฮะยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุอีกเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นเกลือแร่อยัางฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็วิตามินบีนั่นเองนะครับ แต่การรับทานมาแมลงนะฮะก็ยังมีข้อควรระวังนะครับแม้มแมลงนะอาจจะอร่อยถูกปากชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอย่างมากนะแต่มแมลงทอดนะก็มีข้อระวังในการรับทานเช่นเดียวกับอาหารอื่นๆนะฮะอันดับแรกนะครับบอกว่าแม้มแมลงนะจะมีสารไคตินอย่างที่กล่าวไปแล้วที่ช่วย ลดระดับของคอเลสเตอรอลในร่างกายได้นะฮะแต่หากนำไปทอดกับน้ำมันนะฮะแมลงจะดูดซับเอาน้ำมันไวมากนะฮะจนทำให้มาแมลงทอดเต็มไปด้วยไขมันเพิ่มอีกเท่าตัวนะฮะและแน่นอนว่าส่วนใหญ่เป็นไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายนะที่มาจากน้ำมันสัตว์คุณภาพต่ำหรือน้ำมันที่ผ่านกระบวนการทอดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฮะทำให้ตัวของมแมลงทอดนั่นเองนะก็จะไปดูดเอาน้ำมันเก่านั้น สะสมในตัวของอาหารนั่นเองนะครบต่อมานะฮะไของตินและไข่ตัวราสน์สา Özalnız ไดนะ้อาจทำร้ายร่างกายของเราได้หากรับทันมะเมแรงตอดมากเกิญไปนะเพราะเมื่อทั้งใน2ทั dings เข้าไป inside Gemma อาจเข้าไปรบควรการดูซ mantra nghĩ upsetting ของ WIT mil ATHILALINE ในไข่มันได้หญ mue Timmin A avit HIV D advertising and e รวมไปถึง tilted เกือและต่างๆ และในระยะยาวอาจก่อนให้เกิดความบกพร่องในการดูดซึมแคลเซียมได้อีกด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะฮะ บุคคลที่ไม่ควรรับประทานแมลงทอดหรือไม่ควรรับประทานแมลงทอดมากเกินไปได้แก่ผู้ที่ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้หอบผื่นหรืออาจแพ้ส่วนประกอบของแมลงจนเกิดอาการแพ้และอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะฮะอีกกรณีนะฮะผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและก็หญิงตั้งครรภ์ น, นะเพราะอันตรายจากการทำงานของไคตินแล้วก็ไคโทซานนะฮะต่อการดูดซึมแคลเซียม จนอาจทำลายกระดูกหรือก่อให้เกิดความปกติของการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์ก็เป็นได้นะฮะและผู้ที่มีภาวะไขมันสูงหรือเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนนะฮะเพราะว่าเมล็ดทอดอุโดมไปด้วยพลังงานสูงไขมันจากน้ำมันที่ทอดก็มีมากนะหากรับประทานในปริมาณมากหรือทานเป็นของวาน่างหรือกับแก้ม อาจเกินกำหนดปริมาณที่ทานได้ไม่ถูกต้องนะฮะจนเป็นเหตุทำให้ทานมากเกินไปและเสี่ยงต่อโรคไขมันอุด ต, ตันในเส้นเลือดและโรคอ้วนได้นั่นเองนะฮะและสุดท้ายนะสำหรับผู้ป่วยโรคไตายนะพอเครื่องปรุงที่ใช้เพื่อเพิ่มรสชาติของมแมลงนะฮะอาจเป็นเครื่องปรุงจำนวนมากที่มีโซเดียมสูงไม่ว่าจะเป็น CEO, ซีอตติ๊วซอสต่างๆที่ให้รสเค็มต่างๆก็จะอุดมไปด้วยโซเดียมดังนั้นผู้ป่วย โรคไตจึงควรที่จะหลีกเลี่ยงมแมลงทอดนั่นเองนะฮะเห็นไหมนะครับว่ า, มาแมลงนั้นนะฮะนอกจากมีความอร่อยไม่ว่าจะเป็นแมงรถ ด, ด้วนนะฮะตะเกตักตนจิ้งหรีดนะฮะแมงดานะฮะต่างๆนะฮะไม่ว่าจะความอร่อยของเขาเองหรือประโยชน์ต่างๆน ะ, ะแต่การรับประทานที่ถูกต้องนั่นเองนะฮะที่จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังที่รับประทานเข้าไปนะครับ อีกเรื่องหนึ่งน ะ, ฮะที่น่าสนใจนะฮะซึ่งมีข่าวไม่นานมานี้น ะ, ฮะเกี่ยวกับเรื่องกล้วยน ะ, ฮะคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับประโยชน์จากการรับประทานกล้วยนะฮะว่าจะมีประโยชน์ต่างๆต่อร่างกายยังไงอุดไมไปด้วยสารต่างๆร่างกายยังไงนะฮะแต่เมื่อไม่นานที่ผ่านมานะครับกล้วยนะฮะแพทย์ได้ระบุว่ากล้วยนั้นเป็นอาหารเช้า ที่อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้อีกด้วยนั่นเองนะฮะจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจากประเทศอังกฤษนะครับด็อกเตอร์เดลลี่กอร์ฟินนะฮะได้กล่าวไว้ว่าแม้กล้วยน ะ, ะจะมีปริมาณของโพแทสเซียมและก็วิตามินบีหกนะฮะและยังแทบไม่มีคอเลสเตอรอลและก็โซเดียมเลยนะแต่กล้วยยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ ผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงนะครับกล้วยอาจดูเหมือนเป็นอาหารเช้าที่ดีนะแต่เมื่อดูถึงสารอาหารของกล้วยให้ดีแล้วนะการรับประทานกล้วยเพียงอย่างเดียว อาจไม่ดีต่อร่างกายสักเท่าไหร่นะเพราะกล้วยนะฮะมีปริมาณน้ำตาลสูงถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะและยังมีส่วนที่มีลิปเป็นกรดอยู่พอสมควรนะฮะแม้ว่ากล้วยจะอาจจะทำให้คุณได้รับพลังงานอย่างลุตแล้วนะฮะแต่คุณจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็หิวเร็วเช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นน ะ, ะผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าหากอยากรับประทานกล้วยเป็นอาหารเช้าจริงๆนะควรรับประทานกล้วยหลังมื้ออาหารนะฮะแล้วรับประทานเป็นอาหารว่างระหว่าง ว่างวันนะฮะและควรตรับประทานคู่กับอาหารอื่นๆด้วยที่มีส่วนประกอบของไขมันดีหรือเครื่องเทศต่างๆจะดีกว่านะครับสำหรับการ รับประทานกล้วยกับอะไรนะฮะที่ดีที่สุดนะฮะอาหารที่ผู้เชี่ยวชาญอยากจะแนะนำให้รับประทานคู่กับกล้วยก็คือทัว mond, อัลมอนต์เนยมะพร้าวมเมล็ดเจียมเมล็ดแฟลกต์นะฮะน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ชินนัมมอนหรืออบเชยแล้วก็ขมิ้นนั่นเองนะฮะเพราะกล้วยนั้นนะฮะมีฤทธิ์เป็นกรดนะฮะจึงต้องรับประทานกับอาหารที่ช่วยรักษาสมดุลของกรด ในกล้วยให้ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์จากสารอาหารอื่นๆในกล้วยเช่นโพแทสเซียมแมกนีเซียมใยอาหารแล้วก็อื่นๆนะฮะเพื่อไม่ให้ร่างกายนั้นนะฮะไปดึงเอาน้ำตาลจากกล้วยมามากเกินไปและก็เร็วเกินไปนะฮะอาจจะทำให้ร่างกายนั้นนะฮะได้รับน้ำตาลที่สูงเร็วผิดปกตินะฮะก็จะทำส่งผลให้ร่างกายนั้นมีผลต่อ การดูดซึมน้ำตาลนะฮะแล้วก็การหิวง่ายของร่างกายทำให่อยากอาหารได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อโรคอ้วนได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับพักเบรคกันสักครู่นะกลับมาในช่วงสุดท้ายช่วงเปิดหม้อนะครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทางเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมูงคนทัญญาบรุรีขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลาก่อนและพูดได้สนใจ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 ฟูดเดนิเวอรี่ช่วงเปิดหม้อกลับในช่วงเปิดหม้อนะฮะช่วงนี้นะฮะก็ขอนำเสนอเมนูของอาหารไทยๆนะฮะเพื่อคนกินคลีนน ะ, ฮะก็คือน้ำพริกขี้กานะฮะ คุณรู้ฟังหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะฮะกับน้ำพริกขี้กานั้นเป็นอะไรนะฮะเป็นยังไงนะเป็นเมนูสำหรับคนที่ลดความอ้วนเนื่องจากมีใยอาหารสูงนะฮะรับประทานคู่กับผักสดนะฮะแล้วก็ส่วนผสมและก็วิธีการทำนั้นไม่ยุ่งยากนะเชื่อว่าหลายๆท่านนะอาจจะมีส่วนผสมดังต่อไปนี้ติดอยู่ในครัวก็เป็นได้นะฮะอันดับแรกก็คือพริกขี้เหนียวสวนนะฮะประมาณสิบเม็ดนะครับ หอมแดงนะฮะประมาณสามหัวมะเขือพวงประมาณครึ่งถ้วยนะครับมะเขือเทศสี4ผลนะครับกระเทียมสี4กรีบน้ำปลาสองช้อนโต๊ะน้ำมะนาวห้าช้อนโต๊ะน้ำตาลปีบ๊บหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำเปล่าประมาณสี่ช้อนโต๊ะแล้วก็ปลาทูกแกะเนื้อหนึ่งตัวนะครับวิธีการทำนะฮะ เริ่มจากนำปลาทูนะครับไปต้มให้สุกนะครับจากนั้นนำมาแกะและโขลกเนื้อให้ละเอียดนะฮะผักไหว้จากนั้นนำพนริกขิงส่วนหอมแดงกระเทียมไปคั่วให้หอมหรือเอาไปเผาไฟนะฮะจากนั้นนะฮะนำมาโขลกให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันนะครับจากนั้นนำเนื้อปลาทูมาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับ หอมแดงพริกกระเทียมที่คั่วไว้นะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลปีป๊บน้ำมะนาวน้ำปลาจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยเพื่อให้น้ำพริกนั้นไม่มีความเหนียวมากสามารถที่จะจิ้มกับผักได้จากนั้นนะครับใส่มะเขือเทศมะเขือพวงลงไปครกเบาๆนะให้แตกเล็กน้อยนะจากนั้นนะฮะก็สามารถที่จะ ตักขึ้นใส่ถ้วยนะครับรับประทานคู่กับผักโสดเข้าวเหนียวนะครับหรือเข้าวกล้องลอนๆก็ได้นะครับวันนี้นะครับก็ขอลาไปกอดกับเมนูอาหารไทยที่ชื่อว่าน้ำพริกขี้กาสวัสดีครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทางเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมงคลธัญบุรี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 was singing